ไอ้บ้าให้บีบอบีไ้ไอ้บ้าให้บ้บบบให้บีบอไให้บบไอบไอ้บ้าเป็นมือกีบอร์ฉันดีตื่นมาตีซีมาเซ็ตอัพโร ไอบีก็เป็นมือเบชั้นเซียนหน้าตาเด็กเกยนแต่เล่นอย่างโปรมีความชำนาญในการเล่นดนตรีรวมตัวกันที่ปีเวีกระจายบันเลงลีลาจนปรอแทบลุมเป็นไฟไม่มีใครๆไม่รู้จัก possible ไอบีไอบีไอโบไอเบ ่สนัมีลำแสงปรากฏก็แค่ดาวท่าฟาอย่างที่แสงกระจายเปรียบตัวฉันนั้นยังคงจะส่องแสงแล้วร้อนแรงเัือนตงวันไอ้บายบีไอ้บอยไอ้เบ๊ ดาโซโล่ไอโป้ฉันครูที่ไอ้มองดูยังรอโอ้โห้กองรูลิลาชื่อว่าไอ้เบ้เน็กโวยจอรเท่ต่อยพอสโปร